<c oughs> แล้วก็ทุกคนตั้งใจที่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราในการเกิด <c oughs> ที่น้นมือชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราในการเกิดเพราะอะไรเพราว่าการเกิดแต่และครั้งมันเป็นทุกข์แม้ ว, ว่าเราย่อมไม่เห็นสภาวะของทุกข์ในชาติต้นก่อน แต่ความจริงเราเคยผั่านชาตินี้มาก่อนแต่ว่ามาชาตินี้ผู <c oughs> ้ปกิเด็ศบงังแล้วก็มานั่งพิจรารณากันตามชาตินี้ว่า ก, การเกิดของเราสภาวะมันทุกข์มาตั้งแต่เด็กถึงความเป็นหนึ่งสาวถ้า ม, มีการมีครอบครัวถ้าเวลานี้ความแก่ก็เข้ามาถึงแล้วเวลาความป่วยที่เข้ามาถึงมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ ถ้าเรายังคิดว่าร่างกายของเรานี่มันเป็นเราเป็นของเราอยู่เราก็ต้องเกิดใหม่ถ้ากูว่าเราไม่ต้องการจะเกิดเราจะปิพานธก็ตัดชิ้นใจหน่อยเดียวเพราะว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายที่เลวแสนเลวแบบนี้เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกอ้างในเต็มไปด้วยเลือดมันเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะ ล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่น่าอังเกียดมันจะไม่มีไม่ไม่เป็นสมบัยของเราต่อไปอีก <c oughs> จิตที่เราต้องการนั่นก็คือพันธุ์พนอย่างเดียวการที่ไปพันธ์ได้เพราะการไม่ห่วงกายตัวเดียวถ้าเราไม่ห่วงกายเราคิดว่ากายนี้ไม่มีสำหรับเราอาหน้าขึ้นที่ว่าความเกิด เป็นคนก็ดีเป็นสายุนดีเป็นทวันไดาก็ดีเป็นทองก็ดีไม่มีสำหรับเราแต่การตัดสินใจอย่างนี้เป็นปกติทุกคนเมื่ออาตภาพมันตายใจก็ปฏิ่านด <c oughs> ฉะนั้นทุกคนหวังว่าตัดสินใจได้แล้วนะตอนนี้ไปขอทุกคนอารัธนาบ ร, รมีพระองค์สมเร็จพระพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าสาหรับพระพุทธเจ้านี่เราทำกรรมาฐานทุกครั้งต้องการรู้อะไรทุกอย่างเราจะลืมพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยยงอย่ารู้เองอย่าเห็นเองเป็นขาด น, นี่เพราะว่าถ้าเราต้องการรู้เองและต้องการเห็นเองโดยไม่ยึดพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เป็นที่พึ่งปาทานคือกินเลสมันจะกินใจแะในในที่สุดเราก็จะไม่พบของจริง ทันนี้ก็ยังทราบว่าแม้แต่พระรหัารที่ท่านตัดกินเมตต์หมดแล้วเวลาจะรู้อะไรจริงๆถ้าอาศัยบารมีพระองค์สมเด็จพระบรมชื่นแค่เออต้องอาศั ย, รศศยพระบรมเจ้ชาช่วยตลอดเวลาอันนี้เพราะอะไรเพราว่าถึงแม้แต่พระทหารเองก็ยังไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทั้งหมดต้องอาศัยองค์พสมเด็จพระบรมมุข ช, ช่วยเสมอ <c oughs> ยิ่งจะไม่ติดอาาระรัตนที่รู้ไม่ติดอยู่อย่างเดียวคือไม่ติดในขันห้านอกจากนั้นพระรันก็ที่ไม่รู้มีเยอะแล้พระหัตนยั ง, าายงต้องอาศัยพระเจ้ชาชั้นใดเรายังไม่ใช่พระรัตน์ถ้าเราอดรู้อวดเห็นอวดดีแต่ผู้เดียวไม่ฆ้าความดีแล้วก็สลายกลายเป็นคนอกตัญญูไม่รู้นคน แังนั้นต่อ น, นี้ไปขอทุกคนตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระทศกุล ค, คือพระพุทธเจ้าขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ า, าที่ทรงโปรดข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายรงสแสดงพระบรชากายข้าพพุทธเจ้าเห็นชัดเจนตามสภาบัของพระนิพพานกรณีเห็นพระพุทธเจ้ า, า, นนาได้หรือยัง <love> พูดดังเหน่อยจ้ะ <love> เออ <love> ดีจะได้เอา <love> ไปติดเสียงเห็นแล้วนะ ทพระรูปพระมเป็นยังไงแสงเครื่องสีอะไรจ๊ะสีทอง่ไมสีทองสมอยล่ะแก้วนะขิงแก้วนะอ่าปราณีตัดสินใจใหม่ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัสายสดาห์ไ้ข้าพิง้วได้เห็นพระรูปพระมแสงสีพระองค์ตามความเป็นจริงพระประการเจ้าค่ะสีทองนี่ยังหาไปขอสมเด็จพระจอมไตรเห็นสภาวะพระรูปนี้จริง เออต้ อ, องาตรงนี้ไว้นะทีหลังถ้าหาว่าเห็นเป็นสีทองหรือสีอื่นแล้วก็ขอให้เห็นเป็นสีแก้วชัดนะนี่กำลังจิตของเราจะงจ้เข้าถึงข เ, เวลานี้สมเด็จพระพูทมีพระพ่พะพาเจ้าสมบทัาอยู่ใกล้ๆใช่ไหมใกล้กลมากนะทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าองค์ น, นี้สมบนามว่าอะไร เงิน ช, ชื่อองค์ปัจจุบันนี้ใช่ไหมเขาเป็นเจ้าที่บรรลุเปรียเสกสัมมาสัมพุทธญาณที่เรายัางนับถืพอพระศาสนาองค์นี่ใช่ไหมใช่นะเรียกว่าพระสมณนนะโคดมนะไอ้เชื่อนี้จะไปเรียกเขนบ่อยๆนะอย่าไปเรียกชื่อบ่อยๆถ้าไม่มีความจําเป็นการเรียกชื่อบ่อยๆอย่างนี้ถือวาเปการรมาสไปเพราะ่าน้อยไป อย่างเราเรียกพ่อเรียกแม่เราเรียกชื่อพ่อชื่อแม่แล้วก็แสดงความเมตตาจะมอ้อยนอกจกสมเด็จก็ผู้มีพระเจ้าแลวแม่มาได้อย่างม า, นานอยู่ น, นแล้วเออมานานแล้วแม่ชื่อใจเคยียไปหน่อยใช่หมต้แม่และ้พี่ต้งองต<ม>่อใหนมาปลอบ ก, กับพ่อและแม่เมื่อชี่นี่ตอนนี้ใจานี่นี่จะเทรียดไปหน่อยแม่เมล้องข่าวันตงเนไปอรนีรู้จักแม่หม ใส่ได้แม่สีนะด้จักแม่สีเวลานี้แม่สีแต่งตัวไงนะสีอะไรสีเขียว่ไเขียวเป็นผู้หญิงใช่ไหม้อยากจะดูแม่ในภาพของพนิชพันไหมอยากดูขอให้แม่ถ่าแต่งตัวภาพนิชพันเลยเพราะเวลานี้แม่มีนิชพันเปีนีอย่างมแม่จักรเป็นไงสีแก้วเนสีแก้วนะ ยังเป็นผู้หญิงอยู่หร네ือว huh? ่าเป็นทรงวุิศฐานขงภาพพื้นร่างค่ายบุชาย่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่า่่่่่่่่น่่น่่่่า่่่น่่่่่่กั่่่่่่่่่่่่ห่่่่่่่่่้่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ่่่่่่่่่อ่่ก่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่ อราตนารามีพอะองค์เด็จะกิณาสีและแม่และพี่ทั้งหม ด, มดกกเดี๋ยวนี้ท่านปู่ท่ากย่าระเสด็จแล้วนี่ม้อยเห็นเปล่าฮสม้อยท่านปู่ท่ายาเด็ดยังเด็จแล้วเป็นกานะขอบาร ม, มี ส, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยท่านปู่ท่านย่าทแม่และพี่น้องทั้งหมดขอยบรรดาคอยช่วยจิตใจข้าพรเจ้ามีความใสสะอาดบริสุทธิ์ สามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตามความประสงค์ถ้าทุกคนตั้งใจถามองค์สมเด็จพระพุทธองค์ว่าในการก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้ามาจากไหนสมอยมาจากไหน<ม>เห็นภาพ ม, มเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเด็กเป็นผู้ชายมาจากคนหรือมาจากธรรมดา เป็นคนนะเป็นพวกไข่บาลายลจันท์่ไขบาลายจันทะร์อะเอออาานีล่ะวันทชายค่ะมาจากรมผมไม่ใชสมจะมาจากสมใช่ไหมอารานีมาจากสมเออช่ม้ อ, มอยพอหลังไปดูไข่บาลายจันท์คราวนั้นที่ว่าไอ้พี่เขาบอกคนในไข่บาลายจัทร์ตายทั้งหมดมันตายหมดหรือเปล่าไม่หมดค่ะให้ท่านเห็นเ็นภาพนะ อย า, ากรังันแล้วกูจะเป็นอยู่ในสวนนั้นก็ด้วยรัเ<อ>งเทีืนดาบกัน น, ะ น, น<า>ั่งดาบตอนที่ประมาะตีแตกเนะี่ยว่าตายหมดตามํารวจาติตายหมดหรื อ, เ, อเปล่าไม่หมดไม่หมดไม่หมดแล้วพูดที่เหลือถอยไปอยู่ที่ไหนลนะ่ะนี่คือการล่มชาติแตบบที่เระเศุกเปวาสามสี่ยานถอยไปอยู่ไหนถอยลับที่ไหนไไมความเวลาที่ประมาะตีแล้ว่ข่บรรยันแตก โอ้ค่ายปัญญาย์ไปอยู่ทีไ่ไหนเรว่าออกจากเสีไปใช่หัหยเห็นภาพไหมแตกต้นถูดาบถู อ, อะไรกันเยอะแเรียกว่าไม่ไม่ดูต่อต้องดูต่อสิอารานีขนาดที่อยู่ที่ชมนะดูภาพของชมเห็นหนะรือล่าเห็นได้ใช่ไภาพเดิมนะอะอยู่ชมชั้นที่ไหนนะ ถามนิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบเอดใหสองให้สองอยู่ไม่ได้เรบพลาดให้สามก็เป็นนาคมีขั้นไหนยีสิบหกยี่สิบก็ไม่ใช่นาคมีการ์กโทนเกาเลยสมาชิกจักว่าเราจะอยู่ได้แค่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบเอ็ด เพราะว่านอกจากนั้นแตนอาคามีลงมาไม่ได้นเน้าขึ้นใหม่มก็จะเผือน ะ, ะค่อยๆทำใจมาขอองค์สมเด็จไปจอมใ ร, รด้วยสงโปรดหรือว่าแม่ก็ได้ยกนิ้วที่ม่ยกกี่นิ้ ว, วห้านิว้วแม่ยกห้านิ้วสแสดงว่าก่อนที่จะมานี่เราเป็นพรหมชนีห้าใช่ไหมเป็นพรหมชนีห้านะ ตอนนี้ก็ขอบารมีคุณเด็กศิษย์มาลูจยาช่างแม่ด้วยพี่ด้วยน้องด้วยปู่ยาตายายเสร็จท่านมากันหมดได้โปรดให้ข้าพระเจ้าได้เห็สคนสภาวะของคมเวลานั้ น, นเป็นคมมันมีสุขมากเลยที่มานสวยมั้ยสวยมากเลยแล้วก็ตอนที่จะตอนนี้ไปขอฐานท่านย้อนดีนิดนึ่ง ว่าก่อนที่จะมาเป็นพรหมน่ะชาติก่อนโน้นที่จะมาเป็นพรหมเราเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดามาก่อนเพราะดูภาพมันต่อเห็นไหมยอาไปจาอืออ่ก่อ น, ท, นที่จะเป็นพรหมก็มามาจากพรหมไม่กันใช่ไหม ถ้ามาจากพมพรหมเลเป็นหลายอย่างได้เป็นหลายชั้นได้จากพมชั้นสูงหมดบุญมามาเป็นพมชั้นต่ําลงมาจากพรหมชา้นต่ำลงม า, า, มงมาอาจจะเป็นพรมชั้นต่ํามาอีกก็ได้ไม่จากนี่ก่อนที่จะการที่จะเกิดมาเป็นพมเนี่นะตรงความทจะเป็นพมมันกี่ชั้นก็นสกิวร่าก็ตามก่อนที่จะเกิดเป็นพรหมข น, นาที่เราเกิดเป็นมนุษย์ขอดูภาพเดินที่ ทำบุญเ่เกิดตอนที่เป็นมนุษย์น่ะเราทำบุญอะไรไว้จิตเกิดเป็นสมดูจริยาไอ้กาลใส่บาตรการฟังเทศการสมาทางสิ้งการเจริญสมาธิอันนี้มีไหมมีใส่บาตรบูตินานปฏิบัติธรรมทำบูตารรมได้ใช่ไหมใช่ อตอนนั้นเป็นคนจนแลืคนรวยดูบ้านไปนช่องเป็นไงบ้านช่องสวยไห่ใช่ม้ย อ, มอยเ่ยหลังจากที่ออกจากบ้านบาลจัร์รไปแล้วน่ะให้แม่ก็ทำาภาให้ดูภาพเดิม ว่าออก จ, จากวรินจานทร์ไปแล้วไปอยู่ทางการบรุรีและข้าวิทยาลเลยเป็นบ้านค่ะใช่สมาสติเป็นอะไรจะเป็นมรรคการถามมรรคการเราต้องให้แน่ใจถามแม่เลยให้แม่บอกมรรคการว่าการ โดยมากเขาขยายแล้วเขาจะออกไปมีอยู่วงการแล้วก็ไปทุกปรางไม่ป้าบไปตัดพยกําลั ง, ลงเข า, า <Okay. S 1> เข้ามาหลังจะออกจากวงการแล้วเข้ายุทธยาปร okay. Okay. าบ <Okay. S 1> เข้า <Okay. S 1> เข้านะเออ <Okay. S 1> ไ ด, ได้ถ้าปราณีรู้เรื่องของสมอยปราณีนี่เรียกว่าจุจุตัวปนะติญาณนะสม้อยรู้เรื่องของตัวเท <Okay. S 1> ยหลังเรื่องปวกเทนีวาสามปียาน เรื่อไอ้ตัวนี้มันตัวเดียวกันถ้ารู้เรื่องของเราเองเขาเลือกปุเพนิวาสารนิสยานุชาได้ถ้ารู้เรื่องของพุคคลอื่นเขาเรีจ้าตัประมาณียานี้นี่สำหรับสามีนี่ถอยหลังไปตอนนั้นเราเกิดเป็นคนก่อนที่มาเป็นพรหมก็มีการเจริญสมาธิการให้ทางกรบท้าวสิงห์อธรรมดากายจะเกิดเป็นพรหมได้ต้องมีทานสมาบัติเออดูสภาพบ้านเมืองขณะนั้นอะ มันสวยสดชุดงานแล้วถ้าเราอยู่ป่าอยู่ตรงจะมีมอยู่ป่าอยู่ป่าไม่ใช่บ้านอยู่ในป่าไงบ้านในป่าป่าไม่เข้าบ้านในไม้ไม่ไมามอาชีพที่ประกอบเป็นพ่อค้าหรือว่าทำนาแล้วทำไรจะรับแรงกาน ไม่หลอกว่าเห็นไหมขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยดิขอท่านช่วยอเองชัดอ่อหม้อยก่อนหน้าที่เราจะมาเกิดกินาขารร้าวบันไดจันนะตั้งใจนึกถึงขอบารมีพระพุทธเจ้าท่านแม่ช่วยท่านปู่ช่วยทั้งหมดนะว่าภาพที่จะเห็นต่อไปนี้เห็นชัดเจนแจ่มใสตามความเป็งจริง ว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นนักรบในค่ายบาลจันเนี่ยก่อนชาตินั้นน่ะเราเคยเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาแล้วเป็นสมมีเป็นมูปงามสวยเป็นเทวดาแล้วเป็นสมแต่ตัวไงถาแม่ที่เป็นเทวดาและสมจเป็นลูกหลวงพ่อโอ้ใช่ล่ะมีประสาทอยูมีประสาทเป็นเสียงก็แสดงว่าเป็นประสาทใช่ไหมเป็นประสาทเป็นเรื่ายก็แสดงมาจากคนใช่ไ มาจากคนใช่ใช่เลยทำแม่ที่ว่าสมัยนั่นอ่ะมาจากตอนไหนนะมาจากข้าจะมาเกิดมาเกิดเป็นนักรบข้ายวันในจเนี่ยนะมาจากสมัยตอนต้นยุคยาหรือมาจากสมัยสุโขทัยหรือมาจากสมัยเจี้ยแสนหรือว่ามาจากสมัยที่เป็นพระเจ้าสีสงธํามาจากเงแสงมาจากเงี้แสนนะมาจากเข้าจะผอมใช่ไ้ม ใช่ลูก hey, พระพรหมลูกส <hey. S 2> ิริการนาน hey, เนริญใอ่ถูกต้องใช่ตอนนี้เป็นลกูกพระผจพรมตอนนั้น ก, ก็พอเขาบาังล่าลูกเป็นนัลกลูช่วยทํานแม่แลอว hey, ใช่ถูกต้องนะส่นลูกหมด น, <Hey. S 2> นี่เป็นการเล่นชาตินะอะไรตอนนี้เราลองถอยชาติไปเล็กน้อยนะต่อเ น, นี้มาก็ขอบารมีพระองค์มสมเด็จเจ้สชามาสมพาก แอนแม่และพ่อทั้งหมดทุกคนตัดสินใจกากนั้นของใครใครหงตัวเองนะของใครใครต่างคนต่างนึกถึงภาวะของตนเองว่าในภาวะของโลกนอกจากมนุษย์เบื้องสูงก็มีเทวดาขึ้นหนึ่งพุมธเทวดารองลุกเทวดาสามศาสตร์เทวดาสี่สมหานิทาน และวได้ขอพวกเราทั้งหมดได้โปรดขาบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะถามทุกครั้งไหวทุวกครากราบเพื่อก่อนนะประจายภาพเมืกราบนมื่อกายกราบว่าถ้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นภูมิเทวนามหนะถ้าเคยเกิดเป็นภูมิเทวนาของสภาวะ ภาพที่เป็นพรพุทธเจาสมัยนั้นจมปากฏกระสายตาพระพุทธเจ้าในเวลานี้ให้เจ้าไยไหมไม่เคยเกิดนะลานีใคยเกิดพระพุทธเว้ามัยนั้นไมเคยเกิดเลยเคยเกิดพมะพุทวเจ้เวลานั้นมีมานสวยไมสวยสวยแล้วเป็นมาแก้วหรือ <Hin> ม <Congratulations. S 1> ันทองหรือมารเงินเพราะด้วยมาทอง ี่มานทองก็แสดงเป็นภูมเทวดาชั้นหนึ่งนะใแม่หรใช่ไหมเราเราก็เป็นไรแล้วไม่ตอบพ่อใช่ต้องต้องตอบเพราวมันต้องต้องเป็นเดี๋ยวต้องแก้วอาใส่ใช่เพราะว่ามันต้องเป็นบุญเลน้อยแต่ย่าตนตนย่าตนตตอนไหนก็ได้แม่คุมอยู่นช่จะช่วยเห็นชัดนะอาจานี้ทุกคนต้องดูขนาดที่เราเป็นภูมเทวดาเนี่ยมีหน้าที่อะไรส่น้อย าแม่ให้เขาดูภาพเลยต้องเห็นภาพทำงานอะไรเรื่งแดงเรือสีแดงไม่ใช่หรอเราทำทงานอะไรทำ้เดินยินอยู่ตรงประตูทำอะไรไม่ใช่เป็ประตูเประตอะไรนะเป็นประตูประตูวังแล้วปะตูประตูบ้านยอดไม่ใช่บ้านยอดประสาท แสดงว่าเป็นภูมิเทววดาสมัยนั่นเป็นผู้รักษาเกศพระสฐานนะเราอว่าภูมิเทวดานี่เขาแบ่งเกศสามีหละอยู่ตามบ้านไม่อยู่ตามวังไม่อตามัดเกศพระรักษาไม่ใช่เกศพวัดหรือบ้านหรือวังไม่ใชาววังนะ อ่าตอนนี้เราก็ดูความเป็นภูมิเทวดาในตอนนั้นนะเห็นภาพตัวเองไหมสวยไหมน้อยสวยไหมแดงแตงบนขาวแต่งแก้วแก้วเป็นแก้ว น, นะก็เรียกว่ามันก็สวยว่าคนนั่นแหละนะสวยคนสวยอย่างภูมิเทวดานะอันนี้มีปัญหาหจุดหนึ่งว่าไอ้ก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นภูมิภูมิรูมเทวดาเนี่ยตอนไหนที่เราเป็นคน ห้อยหลังไปดูภาพเป็นคนเพราะในสมัยที่เป็นคนเราจเป็นคนจนแด้วเป็นคนรวยแล้วเป็นคนรุ่นลูกชายน้อยให้แม่ทำภาพไปดูตอนนี้ก็ไม่กันให้แม่ทำภาพไปดูที่นอกเข้ามาหมือ่ไอยากเล่นรู้จิตสถาพน์เป็นคนสถาพน์นุ่มผ้าอยากรั่มีสภาวะที่เรียกว่าก่อนทางานลาบากหน่อยใช่ ทำงานลำบากหน่อยใช่แล้วเพราะว่าถ้าทำงานลำบากลําบากอากาศที่อะไรทำบุญต้อก็ น, น้อยใช่ไหมจึงเป็นพรหมทูรดาทีนี้ก็ดูไอาการทํางานลําบากอย่างนั้นทางท่านที่เราอยู่ก็ภาพคนจนต้องอาใช้ อ, อ, อะไรแรงงานอย่างหนักแล้วอาศัยบุญอะไรนะักจึงมาเกิดเป็นพรหมทูรดา เ, เดินมาแล้วชอบใจห้างยกเทียนนมไหวบอกขอให อ๋นอ น, นี่เห็นพระรยกมือไหว้พระก็เรียกว่าเข้าถึงสังขารลุสติกรรมฐ า, านใช่ไหมสังขารลุสติกรรมฐ า, านนี่ไม่ต้องนลังหลับตาก็ได้ <c oughs> อนุสติถ้งหมดอันลืมตาก็ใช้ได้เมื่ถึงพระก็เป็นสังขารลุสติกรรมฐานจริงเราจริงก็เป็นโทวดาเช่นเดียวกันก็ได้แต่พระนีก่อนที่จะเป็นพระเทวดานะบอกไม่ก็อาศัายรรมีพระเจ้าด้วย ออท่นพ่อท่านปู่ท่านย่าด้วยท่านแม่ด้วยถ้าพีนน่น้องทั้งหมดที่มีอยู่าพขเห็นภาพก่อนที่จะมาเกิดเป็นภูมิทวดาตอนเป็นคนมีฐานะเป็นยังไงแล้วคนจนแล้วเป็นคนรวยใช่ชมเมอันต เ, เ อ, เอ่เอคอเชื่อแทงานอะไรจะยพ่อช่วยแม่ใช่ไหม ช่วยพ่อช่วยแม่นี่ไปงานกาตันตยูแตะวีทีมาเสวินบิ่งให ญ, ญ่แต่ว่านอกจากช่วยพ่อช่วยแม่แล้วทาบุญอะไรบ้างไหมที่ามัเกิดเป็นทุกขเวทนาได้สบายนะอันนี้ดูหันไปดูตอนจะตายเป็นม้มอยตอนนั้นนอนจากไหวพระมีความเคารพแต่พระไอ้ก่อนที่จะการที่เกิดเป็นทุวดาในตอนจะตายใจมันต้องดีเล อีตอนจะตายดูภาพตัวนี้นมันป่วยอะไรสมัยให้แม่ทำผ้ามดูเ ป, มเป็นลมเป็นลมเลเป็นลมหน้า ม, มืดเลอะกระเป๋ปาเหนื่อยงานมากเห่อยงานมากมแต่ตอนนั้นจิตใจเป็นไงตอนที่จิต จ, จะออกจากร่างกายนึกถึงพ่อนึกถึงแม่แล้วนึกถึงผ้า เห็นพล้วอบใจที่จะมีธรรมเนียบรู้ใจติดจิตติดอันนั้นใช่ไหมภาพจิตใจในพระนั้นถูกเป็นภูมเทวัดาได้เป็นภดานเช่นเดิมได้แต่ใจอ่อนไปหน่อยนะถ้ากำลังใจแข็งนิดเดียวก็เป็นเทวดาเช้นเดิมวันนี้กาลังใจอ่อนไปนิดก็เป็นภูมเทวานิจาสภาพไลนะว่าถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยยากยากจนรก็ตามที แลเวลาจะตายถ้าจิตนิสัย ค, ความดีนงชฌานิสติสสวนี่นคือทรงปฏิวัติดได้บารมีในเวลานั้นอ่ะก่อนที่จะตายดูภาพที่ใหแม่ทำภาพมาดูเพราะทีเจ้าทำภาพมาดูเราจะตายไปโรกอะไรตายนะลาตายแก่ตายนะหลังโกงเปล่าโกงใ่าหมแก่เห็นโกงเลยหนิ่งสามไม่นูนนนนนยุ่ินมาก แก่ตายแต่ไอ้ก่อนก่อนจะแก่ไอ้ต้องแก่ได้กินหมากว่าเนี่ยกินนะถูกต้องเก่งมากสบายใจได้นะอันนี้เราเรียกผุเคยในวาสามเดีกินหมากเลยนะแก่ตายเอยตอตอนก่อนที่จะตายเนี่ยมันเป็นยังไงเนะมันป่วยเพราอะไรต้องมีทุกอย่างรู้สึกเรียนเรียนหัวนหน่อยๆมันหวนหัวหน่อ ย, อ ย, อออยก็นอน ขาเปล่าฮนะาาแล้วไอ้ตอนที่จิตมันจะดับไอ้ตอนนั้นจิตไม่ใช่ไงไม่คิดฆ่หรือนึกคิดฆาตหรือไม่คิดสิงไงน่นนนคนนิดฆาตไม่คิดฆ่าไอันนี้เรียกว่าจําให้ดีนะว่รราไอ้การที่เราจะทําบา ป, ปโอ้โหสมัยตอนต้นมากมายเนไงก็จําถ้าเวลาจะตายถ้าจิตมันนึกถึงบนความดีก็เป็นอย่างนี้นะมี่ถ้นึกถึงภาพเก่าๆที่ผ่านมาแล้วเนี่ย แล้นี่เราฟังคู่กันแล้วคู่อะไรชาติเป็นตีในร่างกายต่างๆที่เราเกิดในสมัยนะั้นเวลาแล้วมาเกิดใหม่แบบม้าเปล่าสมัยม้าปล่ามีต้นบ้านสวยๆประชาสวยๆไอ้ทัพย์สมบัติมันมากเลยตอนนั้นอมาม้ไหลอะไมาเลยไอ้ไสองคนนึงก็คู่มันไ ม, ม่ชนะรู้แต่ป็มีชายมาก่อนนะฉันไม่เรียกอมแต่มาสอนะ มันนอนอยู่กับจี่รู้แล้ว2สองคนนี้เลียงสอนได้ในนีถ้าคนอื่นเรียกมามันดับไปเฉยเพราะเรียกเขเอเดไม่เป็นไรเรื่องนั้นรู้อยู่นะทัพ่อรู้อยู่ว่าใจมันเชื่อมของพอเอ้เป็นเรื่องธรรมดานั่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาทของคนบางทีปึกคนโน้นแล้วมามาถึงอาจารย์ใหญ่เอ้คุยไปยังไงวะจะพูาจะถูกก็เรื่องของธรรมดา แล้วว่าข่มใจอยู่นะตอนนี้ไปแล้วกราบทูลถามองค์สมเด็จเทพ บ, บรมครูเพื่อนเป็นประธานตรงย่ำพระโอรสบ่า yeah, yeah. รู้เปล่าว่า <Yeah. S 1> พระเาจ้าองค์นี้เคยเป็นปู่เพื่อนพวกเราท <Okay, so. S 1> ราบนะ <Okay. S 1> กราบทูลสมเด็จปู่นะสมเด็จปู่ใหญ่แล้วต่อมาพระ อ, อินทร์ท่านก็เป็นปู่ใช่ไหมท่า <Okay, so. S 1> นดี่ช่ไหมท่านยากยากมาปา่า ย่ายิ้มไหมยินมแจ้ง แ, ลแตลกไหมย่านะ ด, ดีใจไหมย่านะดีใจมากเพราะย่าในของหลานมากถามพระจะตัดปรนิพานไหมท่านตัดทิ่หลังคนอื่นได้สีตัดก่อนเอามาท่านปู่ก็ตัดท่านปู่ได้ถ้าพ้นพ้นบาระท่านปรนิพานทาันทีเอามาท่านย่าก็เป็นคนสุดท้ายว่าดูหลานก่อนหลานมันจะไปได้หมดหรือไม่หมดถ้าไปไม่ได้หม ด, ม ด, หมดก็ไม่ตัดที่อยู่เลี่ยงหลานก่อน เวลานี้ท่านญะาติตัดถึงใจเป็นอุปลานนะแสดงว่าหลานทุกคนป็นอุปานไมหมดดีใจนะดีใจครับเอกราดท่านญาติอืมเออเออเออท่านญาติเป็นดีใจเ็นหัวโลกของหลานนะเอ่ต่อเนี้ไปก็ทุกคนกราบทุลถามองสมเด็จกระจอมใจเอาหน้าถือยึดแม่เป็นสำคัญนะพระพุทธเจ้าก็กไป็ึสำคัญในบุญเนีย่ยเราว่าเราควรใจไ ด, ด้มากที่สุดจะถือแ ม, ม่กับญาตินะ ว่าท่านห่วงมากว่าถามว่าม่อมฉันทั้งหมดนี้เคยเกิดเป็นกกรูปฏิวดาบ้างหรือเปล่า <c oughs> เคยใช่ไหมถามท่านเฉมอยถามเคยเกิดรูกปฏิวด า, ากี่กก ค, ครั้งห้าสิบครั้ ง, งเฉมอยห้าสิบครั้งนะกรนีล่ะยี่้าครั้งยี่สิบห้าครั้งนะเอาขอครั้งเดียว น่าจะหมายความว่าครั้งเดียวในชีวิตที่เป็นลุกกษวดาอย่าสภาพสภาวะตามความไมจริงว่าเวลาที่เป็นลุกกษัตริย์วดาจะรูปร่างหน้าตามันสวยไหมเป็นเษรวดาผู้ชายหรือเป็นเษัรวดาผู้หญิงที่ ม, มันสวยและไม่สวยตัว น, นี้ทําใจทําใจทรงตัวไว้ก่อนนะจะเป็นราชเทศนะดูไว้ก่อนดูว่หรือว่าเราพ่อถามว่าตอบ